พุทธวสัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเข้ามาสู่รายการสันนิษฐานากันนะคะรายการที่มีดิจชันสัสนิษฐานาพงจะเป็นผู้มาถามคําถามพระมหาภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศุดรธา น, นีเพื่อที่จะให้ท่านได้ใช้ความรู้ที่ท่านศึกษาเกี่ยวกับคำสอนของพระาศาสดาที่เป็นพุท้ทวจนะหรือพุ้ทพจน์ทั้งหลายนั้นมาไขาความกระจ่างให้กับท่านทั้งหลายเป็นทั้งความรู้แล้วก็เป็นโอกาสในการที่จะได้ดําเนินชีวิต ควบคู่ไปกับการที่จะอยู่ในคลองของธรรมะหรือว่าปฏิบัติธรรมไปด้วยนะคะวันนี้เราก็ไปกราบน้ำมัศการท่านพระมหาภับูร์กันก่อนเลยค่ะน้ำมาศการกันทั้นคะเชิญบานค่ะวันพระหัสบดีกับวันศุกร์พอดีเมื่อวานนี้ค่ะท่านคะก็เพิ่งเป็นวันพืชชมงคนออซึ่งเป็นวันที่เขาทำพิธี ในส่วนที่เรียกก็เป็นพระาชพิธีแรกนาขวัญถ่ายทอดกันบทั้งประเทศก็จะเห็นพระยาแรกน า, านะคะไปทำการถายนาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วก็มีเทพีคู่หับเงินหับทองอ ม, มีพระโคเสียงทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กดิฉันก็เห็นการส่งไลน์กันนะคะส่งข้อมูลทางไลน์เรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ย เกี่ยวข้องกับการทำนาอที่เขาส่งมาเนี่ยมีสองเรื่องใหญ่ๆนะคะเรื่องหนึ่งก็คือว่าครั้งที่ท่านได้ปฐมฌมา<ช>นบอกว่าได้ตรงกับวันแรกนาเรื่องที่สองก็คือพระพุทธเจ้าก็ทรงทำนาก็อยากจะให้ท่านเนี่ยได้ช่วยกรุณาเล่าให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยอ่านนะคะเออเอ า, เอาในกรณีแรกก่อนคือจริงเรื่องอของพิธีแรกนาะขวัญเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลด้วยซ้ํา แล้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์แต่ยังไม่ตรัสรู้ก็มีการทําพิธีแรกนาขวัญอยู่แล้วเน่ตั้งแต่สมัยก่อนนูน่นคือเป็นคิดว่าน่าจะเป็นพิธีของพราหมณ์อยู่แล้วแล้วเขาก็จะมีการประกอบพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้มันโชคดีให้มันเฮงอันนี้คือลักษณะของพราหมณ์ที่เป็นหน้าที่ในการทําพิธีต่างๆแล้วก็มีพิธีหนึ่งในการที่ก่อนที่จะเริ่มฤ ด, ดูในการเก็บเกี่ยวอันนี้ก่อนที่จะฤ ด, ดูในการทำนาใช่ไหม ก็จะมีพิธีกรรมอันนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์ก็เกิดในตระกูลของที่มีการทํานาคือชื่อสุโธทนะเนี่ยก็มีคําว่าข้าวอยู่ในชื่ออยู่แล้วชื่อพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยก็คือหมายถึงข้าวมีคําว่าข้าวอยู่ในนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นชีวิตในสมัยก่อนนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการทํากสิกรรมเป็นส่วนใหญ่เพดังนั้นก็มีพิธีอย่างนี้ของเขาอยู่ทีนี้ตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ย ในขณะที่เขากําลังยุ่งเรื่องพิธีกรรมจะไปหวานผลออกมาจะเป็นยังไงคนก็ไปค่อยดูกันอะไรต่างๆเลยนะตอนนั้นโพธิสัตซึ่งยังเป็นเด็กอายุประมาณ7จ็ดขวบที่เขาอธิบายกันคําอธิบายนี่ก็บอกว่า7จ็ดขวบนั่งอยู่ที่พักใต้ร่มไม้ว่ามีเงาเย็นสนิทก็ได้ปฐมประชานได้ประถมประชานคือ ต, ตอนนั้นก็ไม่มีใครมากวนไม่มีใครอยู่ข้างๆทุกคนเขาก็ไปดูพิธีแรกนาขวัญกันหมดค่ะ แ, แล้วก็มีเรื่องที่อธิบายเพิ่มเติมว่าเงาของต้นว่าเนี่ยก็ไม่ได้คล้อยตามไปตามแสงพระอาทิตย์แต่ก็เหมือนกับว่ามีร่มเงาที่คอยปกป้องให้เงากับโพธิสัตว์อยู่ในตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในสมาธินั้นค่ะอันนี้คือกรณีแรกส่วนในกรณีที่สองตอนนั้นพระพุทธเจ้าบารรลุละเป็นพระพุทธเจ้าละตรัสรู้สมาสมุทิยานแล้วก็มีครั้งหนึ่งได้ไป เห็นพราหมณ์ที่เขากําลังทําพิธีกันอยู่อย่างนี้แหละแต่ตอนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วและในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้มีพิธีกรรมอย่างนี้<ะ>ทีนี้พอพราหมณ์คนเนี้ยเขาทําพิธีกรรมนี้อยู่เนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าเดินผ่านไปแล้วก็เลยกล่าวบริพารขึ้นแตการบริพารนี้คือหมายว่าแบบแดกดันนิดนึงแทแทกนิดนึงแต่<ะ>ว่าตัวคนเนี่ยกว่าจะได้ก่อนจะได้กินข้าวเนี่ยก็ต้องไถ่ต้องหวานต้องทํางานนะ ถึงจะได้กินนะแล้วท่านสมณะเนี่ยทําอะไรพวกพระเนี่ยทาอะไรพูดในลักษณะนี้ค่ะนะพระพุทธเจ้าก็เลยตอบเป็นธรรมะนะด้วยนัยยะที่ว่าเป็นการทํานานะว่าก็ต้องไถต้องหว่านเหมือนกันนะตัวสมณะเนี่ยเป็นพระเนี่ยก็ต้องไถต้องหว่านจึงได้บริโภคเหมือนกันค่ะนะซึ่งพระามพวกนั้นก็เลยถามว่าอา้าวแล้วไหนผานนะพานนี่คือตัวที่จะไถดินเข้าไปตัดัินค่ ะ, ะ ท, ท, ท่าสมัยใหม่จะเป็นแผ่นกลมๆเป็นเหล็กใช่ใช่ นะแล้วก็ไหนปัตตักไหนโคไหนแอกไหนถ่ยไม่เห็นมีเลยพระปุชฌา ก, ก็เลยอธิบายนะด้วยคำอุปมาอุปไมนะ่ว่ามีศรัทธา เ, เป็นพืชนะมีปัญญา เ, เป็นแอกและคันไถ่านะมีฮิริ เ, เป็นงอนถ่านะมีใจ เ, เป็นเชือกชักมีสติ เ, เป็นผานนะที่แหวกดินใบ เ, เป็นสตนะิคือผานและปัตตักนะมีการควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมท้องในเรื่องอาหาร ในเป็นขอบเขตของนาแล้วก็การทําความสัตว์และเป็นการถากหญ้าทิ้งรักความยินดีในนิพพานในเป็นกําหนดการเลิกทำํำนานี่คืออุบมาวมายัยในะที่ยกขึ้นในที่นั้นค่ะน <Okay. S 1> ั่นก็คือเป็นมีการทํานาที่มีอมตะเป็นผลนะบ้างั่นเถอะค่ะน <Okay. S 1> ั่ก็ต้องมีการทําเพื่อที่จะให้ได้ผลค่ะ <Okay. S 1> แต่ว่ารสของข้าวของผลผลิตที่ออกมา นี่ไม่ใช่เป็นอาหารที่ทำให้เรากินอิ่มท้องก็มื้อนึงแต่ ว, ว่าเป็นรสแห่งธรรมเี่เป็นธรรมรสเป็นอมตะรสน่ที่จะให้เราบริโภคแล้วอิ่มไปตลอดอันนี้คืออุปมาประม่ที่พูดถึงในงานนี้ค่ะงั้นก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยการกระทำขณะที่เป็นโพธิสัตว์แล้วเอ่อขณะที่เป็นพระพุธธทธเจ้าแล้วมไม่ได้มีการทำนาที่โรยมเมล็ดข้าวลงไปแล้วก็ ได้เมล็ดข้าวเติบโตขึ้นมารับประทานแต่ว่าอุปมาอุปไมยเพื่อที่จะทำให้การพูดในเรื่องเดียวกันกับพรามนั้นเนี่ยจะตอบคำถามได้กระจางในใชเชิงเปรียบเทียบได้มากกว่าใช่นี่เป็นลักษณะการสอนของพระพุทธองค์เลยไหมคะถูกต้องเลยอันนี้คือเป็นอะไรก็จะดึงเรื่องเข้าหายธรรมะหมดแล้ก็จะชวนตะลัก็จะพูดแตกทั้งยังไงก็ตามก็จะตอบเป็นธรรมะนี่คือเป็นธรรมราชาไง ค่ะแล้วก็เป็นธรรมะที่ใกล้ตัวคนถามซะด้วยใช่ใช่นะค ะ, อะขออนุญาตที่จะทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะมมเพราะว่าถ้าเป็นในกระบวนการทํานาของคนในยุคหลังๆดิฉันก็นึกไม่ออกในยุคที่เขาใช้รถหวานเมล็ดแล้วนะคะเพราะว่าจะเจอในยุคที่เขายังมีการเตรียมดินเสร็จแล้วก็มีการหวานกล้าคือเข้าเปลือกลงไปเพื่อให้งอกมาเป็นต้นกล้านะค ะ, ะ, คะแล้วพอ เป็นต้นกล้าเขาจะไปเขาเรียกอะไรคะไปถอนต้นกล้าเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปปลูกใหม่อีกครั้งหนึ่งให้แยกเป็นแถวเป็นแนวระยะงดงามที่จะทำให้ข้าวได้เติบโตได้ดีนะคะและสุดท้ายพอโตเต็มที่ก็ออกรวงรวงแก่ก็ได้เกี่ยวข้าวเมล็ดข้าวเปลือกก็นำออกมาเพื่อที่จะสีให้เป็นข้าวสารอันนี้จะเป็นกระบวนการทำนาแบบ ที่พอจะจินตนาการกันออกในการทำนาที่แท้จริงการทำนาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสต่อว่าก็ทรงทำอยู่ด้วยเหมือนกันในการเป็นพระพุทธเจ้ากับในการที่เป็นพระสงฆ์สาวกของพระองค์นั้นทำอย่างใดอีกทีนะคะเ อ, เอาเอาเริ่มจากถ้าเปรียบเทียบเริ่มจากมเมล็ดพืชก่อนเอามมเมล็ดพืชเอาคุณจะเอาอะไรมาหวานเป็นมเมล็ดพืชนะถ้าที่ทำนาแบบอมะตะเป็นผลในแบบพระพุทธเจ้าก็คือมีศรัทธาเป็นพืชศรัทธาคุณต้องมี นะเป็นเมล็ดพันธุ์เดิมนี่คือสรัทธาที่เราต้องลงไปก็ดีสองแล้วไอ้เจ้าผานหรือประตักนี่คืออะไรผานที่มันติดกับดินเนี่ยนะก็คือสตินะสตินะสติเป็นผานและประตักนะแล้วเชือกชักแอร์กระถแอกร ะ, ะคันไถ่านะคือที่จากผานขึ้นมาก็จะเป็นแอรและคันถถูกไหมอันนี้คือเป็นปัญญาเป็นปัญญานะแล้วตัวงอนไถ ท, ที่จะควบคุมทิศทางนะยื่นออกมาอีก ยื่นออกมาเป็นกอนไถคือเป็นหิรินี่ไายขึ้นมาจากดินนะพืชคือสัตยาใช่ไหมผานนี่คือสตินะตัวแอกไถนี่คือปัญญานยื่นออกมาอีกหิริเป็นก้อนไถแล้วเชือกชักนที่จะเป็นตัวชักมีโคนําหน้าไปใช่ไหมก็จะมีตัวเชือกชักเนี่ยก็คือใจเป็นเชือกชักหแล้วน้ําฝนที่ตกรดลงมาน้ําฝนที่จะเป็นน้ําหล่อเลี้ยงเนี่ยก็คือความเผาผลาญกิเลส แล้วถามว่าขอบเขตของนาอยู่ตรงไห น, น, นขอบเขตของนาก็คือการควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมท้องในเรื่องอาหารนี่เป็นขอบเขตของนาค่ะแล้วก็ทําไปใช่ไหมตัวนี้แล้วเราก็พอมันมีวัชพืชในมีวัชพืชก็ต้องถากพวกหญ้าพวกวัชพืชต่างๆทิ้งนั่นก็คือความที่มีคําสัตว์เป็นผู้พูดจริงหรือเป็นการถอดวัชพืชทิ้งค่ะแล้วก็การที่ลากแอกและไถยไปเนี่ย คือการทำความเปลี่ยนาการทำความเปลี่ยนนะลางแอกและถ่ายไปแล้ว <Okay. S 1> เราก็ผลที่จะออกมานะผลที่จะออกมาก็คือความเป็นอมตะเป็นผลก็คือเป็นเมล็ดข้าวานั่นเองนะคะก็เท่ากับ ว, ว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ทำลงทุนด้วยศรัทธาเป็นประถมใช่แล้วใช้เครื่องไม้เครื่องมือก็คือมีปัญญามีหิริมีใจมีสติ แล้วก็อาศัยธรรมชาติที่ว่าเป็นฝนเนี่ยนะคะเป็นความเผาผลาญกิเลส เ, เพื่อที่จะควบคุมกายและใจโดยมีความสัตว์คือวาจาถูกไหมคะใช่ค่ะในการที่จะเปล่ย เ, เ, เหมือนาการถอนพวกวัชพืชต่างๆค่ะเพื่อที่จะดทำความเพียน ใ, ให้บรรลุถึงความเป็นอมตะเอ่อความเพียนนี่คือการลากแอกและถ่ายไป ค่ะนะคะทีอืมทีนี้ในเรื่องศรัทธาที่เป็นมเมล็ดพืชตัวนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้าถ้าเราพิจารณาดูหมดธรรมะในข้อนี้จะสอดคล้องรับกันกันกบตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่ใต้ต้นสาตอนนั้นยังไม่ได้ไปหาภิกษุ ป, ปัญจารวกีด้วยซ้ายังไม่ได้สอนใครนะมีพรมมาอาราธนาให้สอนธรรมะใชะ่พระพุทธเจ้าใกรกรุนดูด้วยพุทธจักษุแล้วก็อสอนได้ คนที่มีทุลีในดวงตาน้อยก็มีมากก็มีแล้วก็เลยได้ตรัสคํานี้บอกว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นธรรมาตาเนี่ยเราเปิดไปแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้มีโซนประสาทสัตว์เหล่านั้นจงโปรงศรัทธาลงไปเถิดแตตรงนี้มีคําว่าศรัทธาคือโปรงศรัทธาลงไปในการปฏิบัติแต่ตรงนี้ก็จึงเริ่มที่ศรัทธาเพราะฉะนั้นเราต้องมีพืชของเราไปก่อนนำะไปในการหวานคือศรัทธาของเราอันนี้สาคัญมากคือข้อที่หนึ่งแล้วมันก็ยังเป็นข้อแรกใน อินทรีย์แล้วก็พละห้าด้วยเนะี่ยพละคือกําลังในการที่เราจะตรัสรู้ธรรมะได้เร็วหรือช้าเนี่ยเริ่มข้อแรกเลยคือเริ่มที่ศรัทธาเนะี่ยถ้ามีศรัทธาแล้วมันก็จะมีกําลังในการทําไปมีกําลังในการทําไปแล้วมันก็จะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นตามลําดับค่ะแบบนั้นคือเราต้องยอมที่จะศรัทธาก่อนใช่นนเพราะว่ายากเหมือนกันนะคะคือบางคนเนี่ยเหมือนกับเป็นคนดื้ อ, อยิ่งพอเห็นคนเขาศรัทธากันมากๆ ตัวเองมีความรู้สึกว่ายิ่งแข็งขืนมีคนประเภทนี้อยู่จริงๆใช่ดังนั้นก็จะไม่มีโอกาสพบความเป็นอมตะว่าอย่างนั้นเถอะก็จะยากก็จะยากทีนี้ก็อย si ู่ที่ว่าทุลีในดวงตาของเขาเนี่ยมันมากหรือน้อยค่ะอาจจะต้องลองสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองเป็นในลักษณะเชื่อยากศรัทธายากอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องลองลองว่าลอง ทีนี้อย่างศรัทธ า, ถ, าถ้าเราพูดถึงประเด็นเรื่องของศรัทธาอย่างที่คุณนมติว่าเนี่ยว่าอันนี้เป็นสําคัญมากแล้วถามว่าอะไรจะเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาแัธถรดูธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้เนี่ยศรัทธาเนี่ยก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารนะมันต้องมีธรรมชาติหล่อเลี้ยงในเวลาศรัทธาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าปลูกศรัทธาแคำว่าปลูกศรัทธานี่ก็คือค่อยหล่อเลี้ยงมันขึ้นมาถามว่าอะไรจะเป็นอาหารให้ศรัทธานี้ได้และมีหมวดธรรมะหนึ่งพระพ จะเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาไดคา oh. นะ้ความทุกข์เนี่ยนะความทุกข์จะเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาได้ <Okay. S 1> แต่ซึ่งถ้าเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเน่ยคุณโยมติ๋วก็เจอตัวธมาเก็เจอท่านบูฟังก็เจอเนี่ยมันเจอทุกอยู่แน่นอนไม่ในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง <Okay. S 1> เช่นหิวข้าวก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะกินข้าวไปกินข้าวเสร็จอร่อยดีกินมากเกินไปก็กลายเป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งอย่างงี้ยนเะข้าห้องน้นํานี่ก็เรียกว่าที่ถ่ายทุกข์เนี่ยเป็นสุขานี่ก็เพราะว่ามมันนเป็ควาทุก เป็นความทุกข์ที่เราเจออยู่ตลอดเนี่ยถามว่าไอ้ความทุกข์ที่เราเจอทุกวนันทุกวนันนํามาในแฝงมาในรูปแบบต่างๆเนี่ยเอ๊เราทําไมบางทีมันมันกลับไม่เกิดศรัทธาบางทีมันกลับเกิดศรัทธาในบางครั้งมางคราวเหนือไว่าเอ๊เราจะทํำยังไงให้ทุกข์ที่เรามีเนี่ยสามารถเป็นอาหารหล่อเลี้ยงในศรัทธาของเราได้นั่นเดีสิครับพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้อีกที่หนึ่งอันนี้อยู่ในสังยุตติกายที่บอกถึงว่าผลของความทุกข์ในมี2 อ, อย่าง ในผลของความทุกข์มี2 อ, อย่างนะคือ1คนที่มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วเนี่ยจะมีความงุนงงหลงไหลนีจะจมอยู่ในความทุกข์นีจะทําให้ ก, รกลรมกรุณทุบบกชกตัวถึงความมีสติฟั่นเฟือนอันนี้คือแบบแรกแต่คือจมอยู่ในกองทุกข์อันนี้แบบที่1 ห, หรือแบบที่2เนะ่ยเขาจะสแสวงหาทางออกว่าใครเนาะจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1 ห, หรือ2วิธียีน่ น, นี้คือแบบที่2อเพราะฉนั้นตัวเราทุกคนเนี่ยนะจะมีอยู่2ทางเลือก แต่คุณถูกความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง1นึ่งทางเลือกแรกคือคุณจะจมอยู่ในกลองทุกนั้นหรือ2คุณจะสแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครจะรู้ทางออกของความทุกนี้สัก1 ห, หรือ2วิธีแดีวทีนี้ทําไมคนเราถึงไม่สามารถเลือกทางออกที่2ได้ในบางครั้งเนี่ยจมอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในทางออกแรกโดยไม่เห็นด้วยซ้ําว่านี่มันเป็นความทุกข์แอบแฝงหรือว่าไม่สามารถคิดได้ว่ามันน่าจะมีทางออกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะ อันนี้ที่จมอยู่ในตรงนั้นเนี่ยเพราะว่ามีโมหะมากมีทุลีมากมีเพื่อนชั่วมีอกุศลธรรมต่างๆจึงจมอยู่ทีนี้เหตุปัจจัยอะไรที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถเห็ น, นว่าเออฉันน่าจะคิดถึงที่พึ่งทางออกนะทางออกที่พึ่งใครน้อย่อมรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือ2วิธีตรงนี้เขาจึงต้องมีที่พึ่งเที่พึ่งคือพระพุทธศาสนประสงค์อันนี้จะเหมือนกับว่าดึงจิตของเขาให้ออกมาทางกระที่สนี้ได้ ก็อาจจะมาในรูปของเป็นกรารยนานมิตรอันนี้กรารยนานมิตรนี่สําคัญมากอันนี่พระบรุรเจ้าจึงอธิบายว่ากรารยนานมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของการประพฤติเลยเพราะฉะนั้นเราเจอความทุกอย่างอย่างหนึ่งเราอาจจะมีเพื่อนดีกาลยานมิตรเนี่ยอาจจะมาในรูปของเพื่อนที่เป็นคารวาสอาจจะมาในรูปของพระสงฆ์ที่มาคอยบอกคอยสอนหรืออาจจะมาในรูปของคําสอนที่มาในตามหนังสือบางทีเราได้ยินได้ฟังธรรมะหมดได้บทหนึ่งมันสะกิดใจ ข, ขึ้นมาเออเออใช่นะ้ํานน่าจะคิดอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นกระเละยในมิดได้เอาคําสอนเป็นกระเละยในมิดได้แต่เพราะนั้นการได้ยินได้ฟังธรรมะอันนี้ก็ช่วยได้หรือว่าการที่เรามีสมาธิิมีเพื่อนดีพวกนี้จะช่วยทําให้เราเจอความทุกข์แล้วมันจะแยกออกมาในแง่งที่สองแต่เป็นการแสวยหาทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีได้ค่ะนะคะก็อยู่ที่เรานั่นแหละจะพาตัวเอง ไปสู่จุดแห่งความศรัท ธ, ธาได้หรือไม่อย่างไรหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าก็ยากนะเจ้าตัวเห็นถ้าไม่น่าจะเป็นคนศรัท ธ, ธาอะไรง่า ย, ายๆก็ไม่แน่เหมือนกันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นอาจจะเลือกทางที่ถูกใช่นะคะขอเพียงแต่ให้ได้สดับอย่างเช่นฟังรายการนี้เป็นต้น อ, อนันกลับเรียนท่านนะคะวันนี้ไปวัดอรุณค่ะเจอพระคุณเจ้ารูปหนึ่งพอรู้ว่าเป็นดิฉันท่านก็ดีใจนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นคนหน้าเหมือน Oh. <laughs> แล้วท่านก็บอกว่าอ๋ออาจจะมาฟังรายการอ่าดิฉันก็ดีใจนะคะว่า hmm. แหมยังมีพระสงฆ์ฟังรายการถ้าฟังอยู่ก็กราบน้มสักการนะคะเนี่ยค่ะการฟังรายการก็จะทำให้ปัญญางอกงามอย่างดิฉันเนี่ยจะสนทนาธรรมกับพระคุณเจ้าอยู่บ่อยๆ อ, อย่างไรก็ตามนะคะในการสนทนาทุกครั้งจะมีปัญญาเกิดขึ้นใหม่ๆเสมอค่ะ hmm. ท่านพิบุญคดิฉันคิดว่าดีมากเลยนะคะสำหรับคนที่หยิบฉวยเอาเรื่องพระพุทธองค์ไปทำอยู่ในกรอบรูปอย่างดีส่งทางไลน์ในโอกาสที่เหมาะสมคือพอแรกนาขวัญปุ๊บส่งสองเรื่องนี้เลย mm hmm. ก็เลยทำให้อ๋อเราพลอยได้ทบทวนธรรมะดิฉันเองก็จางๆไปบ้างเหมือนกันนะคะ mm hmm. ค่ะจำได้แต่ว่าบทที่พระพุทธองค์ได้ตรัส เหมือนกับว่าถ้าปลูกข้าวเนี่ยเราก็มีหน้าที่ปลูกใช่ไหมคะชาวนามีหน้าที่ไหน้ําข้าวนาอะไรนั่นนหะคะ่ะใช่ใชส่วนมเมล็ดข้าวจะสมบูรณ์หรือว่าจะงอกเมื่อไหร่นั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปกําหนดได้อย่างแน่นอนอ๋ออันนี้ก็เคยบุกมาบุกม า, ม า, มาอันที่สามอีกอันหนึ่งนะอันนี้ว่าจะเป็นเรื่องที่สามก็ได้ที่เคยไปเที่ยวกับคนที่ก็เลขาธิกาชาวนาที่เวลาเขาจะทำนาเนี่ยเขาก็จะต้องรีบๆไหน้ำข้าวเอารีบๆ พรวนดินใช่ไหมรีบๆปลูกนั่นคือหมายถึงว่าดํานา แ, แล้วก็ไหน้ําเข้าไหน้ําออกอันนี้คือ3ามอย่างที่เราจะต้องทําเดี๋ยวฝนตกเดีต้องไปดูนาแล้วว่าน้ําเกินหรือน้ําขาดแต่ว่าผลที่มันจะออกมาเนี่ยเขาจะาไม่สามารถที่จะบังคับได้ว่าจะให้ออกวันนี้พรุ่งนี้ดังก็เช่นเดียวกันคนที่จะปฏิบัติธรรมอันนี้เปรียบเทียบกับมาในการปฏิบัติที่ว่าเราจะได้ผลเป็นอมาตะเนี่ยแม้เราอุตสาหะสร้างเหตุปัจจัยนาวันพืช นะปรับอะไรต่างๆนะซึ่งก็เปรียบเหมือนกับปฏิบัติตามศีลนะสมาธิปัญญาศีลนะอันยิ่งจิตอันยิ่งแล้วก็ปัญญาอันยิ่งแต่ว่าเวลาที่จะบรรลุในการที่จะเห็นธรรมมาขันใดขั้นหนึ่งวางขันธห้าได้เนี่ยมันก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันเราจะไปบังคับไม่ได้ น, นี่ก็เป็นอุมาลที่สามค่ะอก็เป็นอุปมาลสอนชาวนาหรือเปล่าคะในอันนี้อันนี้ก็สอนก็รเบียดีสอนพิษสอนพิกษสุนี่แหละสอนพิกษุคือเปรียบเทียบกับในเรื่องของการทํานา อาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมอย่างในยุคก่อนเนี่ยเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยคงเยอะอยู่เดียว น, นะคะใช่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพอพูดปุ๊บเนี่ยนึกออกเลยเห็นภาพชัดเจนก็เข้าใจง่ายอืเนี่เป็นวิธีการที่คนในทุกยุคทุกสมัยก็ใช้ในการที่จะเล่าเรื่องหรือว่าบอกสอนให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายๆเช่นเดียวกันอืมเรื่องอุบมาปไมยเหนือสําคัญมากนะโคะะ่แล้วเป็นเทคนิคในการใช้ภาษาของพระพุทธเจ้าที่ ที่ลึกซึ้งมากบางทีอุปมาอุปมาอบางอย่างเนี่ยคือถ้าเราพูดคอนเซปต์ทั่วๆไปธรรมดาเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ยากแต่พอยกอุปมาอุปมาอแล้วเนี่ยหมาความเข้าใจมันจะแจ่มแจ้งขึ้นแ ล, แล้วเราก็จะทําอยู่บ่อยๆแล้วก็มีความชาญฉลาดในเรื่องของอุปมาอุปมาอีเยอะแยะมากแต่ถ้าเรามาลิสเรื่องของบางทีเปรียบเทียกบกับช้างบ้างม้าบ้างท้องฟ้าบา้างฝนบ้างเนี่ยจะได้เป็นเป็นพันอันเลยละ่ะเป็นพันเรื่องเลยที่มีเรื่องพวกนี้ท่านคะถ้าอย่างนั้น พอจะกล่าวดะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าพระพุทธองค์นั้นเนี่ยได้ทรงใช้อุปมาบ่อยแค่ไหนใช้อุปมากับเรื่องใดมากที่สุดอ๋อกับออคื อ, ท, อ, อนะคทุกเรื่องเลยนะคุณยมติทุกเรื่องเลยค่ะออไม่ว่าจะเป็นธรรมะในเรื่องของมรรคแดนะซึ่งเปรียบเสมือนทางนะเหมือนกับว่าเรากําลังเดินทางไปเนี่ยทางซ้ายนะก็เป็นมิจฉาทิฏฐิทางขวาก็เป็นสมาธิติอย่างเงี้ยเท่ากับว่าท่านจะสอนทุกเรื่องเนี่ย ท่านมักจะใช้อุปมาใช้การเปรียบเทีใช่ค่ะแล้วก็จะยแต่ว่าจะเปรียบกับอะไรใชหยิบเรื่องกองไฟบ้างหยิบเรื่องอะไรที่ใช้ประโยชน์ได้เอาตรงนั้นมาสอนทันตีนี่คือเป็นครูผู้สอนเนี่ที่ยิ่งไปกว่าครูคอื่นๆที่สามารถสอนได้อย่างที่ไม่มีใครยิ่งไปกว่าค่ะในเรื่องเดียวกันบางทีก็อาจจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่เหมือนกันใช่ฉะนั้นหรือเปล่าค่ะถูกต้องถูกต้องยกตัวอย่างได้ไหมคะท่านอย่างเช่นว่าเปรียบเทียบเรื่องของสติ แต่บา ง, ค ร, งครั้งก็เปรียบเทียบกับเครื่องตรวจหาลูกศร น, นะคือหมายถึง เ, ออเครื่องเอ็กซ์เรย์แต่ถ้าเราถูกลูกศรยิงเนี่ยคุณจะตรวจหาลูกศรเนี่ยต้องใช้สติในะลูกศรนี่เปรียบเหมือนตันห า, างี้เป็นต้นนะรหรือเปรียบสติเหมือนกับเสาเขื่อนเสาหลักอันนี้ก็สติในกานธรรมะข้อเดียวกันแต่เปรียบเทียบคนละแบบเปรียบเหมือนกับเสาเขื่อนเสาหลากักเป็นสติก็ได้นะใช้กรณีไหนกรณีที่ถูกตางหูจมูกลิ้นกายใจดึงไป เอาเปรียบเทียบสติกับเครื่องตรวจหารูสอนคือเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจเปรียบเทียบกับอะไรนะในกรณีที่ถูกตันหามันยิงนะมีความทุกข์อย่างนี้หนึงน่งเสียดแทงเข้าเนี่ยแม้เราจะไม่รู้ได้ไงมันโดนตรงไหนคุณเอาสติตรวจสอบดูอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยสอนเก่งขนาดไหนลองไปอ่านคําสอนของพระพุทธองค์นะคะที่เป็นพุทธวจนะคําสอนต่างๆเนี่ยจะเห็นเลยว่า โอเดี๋ยวก็ทรงเปรียบอย่างนั้นเดี๋ยวก็ทรงเปรียบอย่างนี้ทําให้เราได้หลักในการที่จะมาใช้ในการสื่อสารของเราเองใช่ใช่ใช่แล้วแล้วเทคนิคนี้ไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าใช้นะค่ะนะคือเหล่าสาวกเนี่ยก็ใช้เหมือนกันท่านพระสารีบุตรเวลาเอาไปเทศและบางทีเปรียบเทียบอุปมาอุปไมเนี่ยแต่แยกขึ้นไปจากที่พระพุทธเจ้าสอนก็มีค่ะนะหรือว่าท่านพระกุมารกสปานี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลย คือพระพุทธเจ้าเนี่ย ม, มีตัวอย่างนึงอันนี้ออกมาคิดว่าควรจะต้องออกมาให้แบ่งไปให้ท่านผู้ฟังฟังเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับว่าการทําบุญอย่างเงี้ยนะว่ามีเนื้อนาบุญนะคือพระพุทธเจ้าจะเปรียบเนื้อนาบุญเนี่ยเปรียบสเสมือนนาที่ดีใช่ไหมเราจะไปหวานข้าวเนี่ยคุณจะไปชาวนาก็จะทำนาเนี่ยเขาต้องหว่านในแปลงนาที่ดีก่อนใช่ไหมซึ่งก็เปรียบเหมือนกับเวลาที่คนจะรับธรรมะเราก็ต้องเอาคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยก่อนหรือว่าเราจะทําบุญเนี่ย เราจะทําบุญด้วยการให้ทานทําบุญด้วยการให้ทานจะได้ผลมากจะได้บุญมากเนี่ยก็อยู่ที่ผู้รับด้วยว่าผู้รับมีราคาโทสะโมหะมากหรือน้อยแตนะ่ถ้ามีน้อยก็คือเปรียบสเสมือนกับนาที่มันมีลูกมีหินน้อย เ, อเป็นนาที่ดีจกกนกระทั่งถ้าไม่มีกิเลสเลยเนี่ยโอ้ยิ่งเป็นแปลงนาที่ดีมากอันนี้คืออุปมาประมาทที่พระพุทธเจ้ายกแีนะ่ทีนี้ท่านพระกุมารกัสปะก็มาเพิ่มเติมอีกนะมาเพิ่มเติมต่อยอดจากของพระพุทธเจ้า แนวว่าเมล็ดพันธุ์นวเมล็ดพันธุ์ที่เอามาหวานนี่ก็สําคัญเมล็ดพันธุ์ที่เอามาหวานถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีแนวเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีก็คือเปลือยเหมือนกับสัทธาเรามีน้อยสัทธาก็เรามีน้อยแต่ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีก็เปลือยเหมือนกับสัทธาที่เรามีมากเอามาหว่านในแปลงนาแล้วก็จะได้ผลมากแนวไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าปริมาณเงินหรือสิ่งของที่คุณเอาไปให้ทานนั้นมากหรือน้อย ก็จะสอดคล้งกันตรงนี้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ถึงเรื่องมเมล็ดพันธ์ไงท่านพระภูมิราชสักบาก็มาเพิ่มเติมตรงนี้ให้ค่ะนะคะทีนี้เมื่อย้อนกลับไปเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธองค์ที่ส่งเกี่ยวข้องกับนาแล้วก็เกี่ยวข้องกับวันสําคัญคือพืชโมงคนที่ว่าตอนเป็นเจ้าชายยังเป็นโพธิสัตว์อยู่อืที่ท่านไปบูลให้กล่าวนี ว่าท่านได้ปฐมฌานตั้งแต่เจ็ดโคดนะคะใช่แล้วว่าท่านไม่มีเชื้อตั้งแต่เด็กเลยโอ้โหแมคนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ต้องสั่งสมบารมีมานานมากโยมติ๋วนานมากเอ า, าเอาแค่ว่าตอนได้ปฐมฌานอาจจะได้อยู่ตอนเป็นเด็กใช่ไหมค่ะเราก็ตอนที่ทําทุกรกิริยาขนาดนั้นแล้วเนี่ยยังนึกถึงณโมเมนต์นั้นได้อะยังนึกถึงณจุดนั้นได้ หนึ่ง อ, อ่ะมันคือตอนตอนนั้นพระพุทธเาแบบท้องกิ่วแล้วอน ะ, ะจับท้องถึงหลังจับหลังถึงท้องอย่างเงี้ยคือถ้าเอามืออ้อมมาด้านหน้าแตะที่ท้องเนี่ยก็โดนกระดูกสันหลังด้วยถ้าเอามืออ้อมไปข้างหลังเนยจะแตะหลังกระดูกสันหลังจากด้านหลังนะก็ถึงแผ่นท้องด้วยขนาดนั้น <พา S 1> แล้วเนี่ยน ะ, นะอ่ะอารูปตัวไปเนี่ยก็ขนก็หลุดร่วงออกหมดค่ะนะผิวพรรณก็เสื่อมเสียไปเพราะว่าความที่มีอาหารน้อยขนาดนั้นแล้วเนี่ยนั่งสมาที่ธิทําไมยังไม่บรรลุ แล้วก็นึกถึงณวินาทีนั้นตอนที่ตัวเองอายุเจ็ดขวบได้ประธมปชานนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ว่าเอ๊ะอันนี้จะเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้หรือเปล่านอะพระปุชฌาบอกว่าวิญญาณอันเล่นไปตามความมลึกของเราได้มีขึ้นว่าแน่แล้วนี่แหละคือหนทางแห่งการตรัสรู้คือมั่นใจเลยว่าเอ๊ะที่7ขวบที่เราเจอมานั้นมันใช่แน่ล่ะ Oh, ใช่แ่ๆเลยดิฉันเคยอ่านพุทธประวัติจากพระโอทแต่ไม่เคยเจอตรงนี้หรือว่าอาจจะอ่านผ่านไปตรงตรงนี้ก็จะมีอยู่ตรงนี้จะมีอยู่พระบริชาได้บอกไว้กับสัจจการนิครนนาบุต ร, ร, รครั้งหนึ่งบอกกับโพธิราชกุมารครั้งหนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งก็รู้สึกจะมีอยู่สจุดในพระเดชบดกที่บอกเรื่องนี้อ๋อเล่าในส่วนนี้เลยใช่ว่าตัวพระองค์เองเนี่ยตอนท้องกิ่วแล้วเนี่ยน ะ, ะก็นึกถึงณนะวินาทีนั้นได้ มีความมั่นใจเลยว่านี่แหละใช่ละคือคนทานการตรัสรู้คือวินาทีตอนเจ็ดขวบที่ได้ปฐมฌานเนี่ยนะคะใช่ใช่นึกถึงวินาทีนั้นค่ะอะไรทําให้ท่านไปนึกถึงวินาทีนั้นได้เรื่องอะสิคะตรงนี้ก็คือบารมีที่สั่งสมมาความเป็นสัมมาสัมปทาซึ่งบางทีผ่านมานานแล้วะะใช่ผ่านมานานแล้วคือบางทีตัวเราเองอะตัวเราเองตัวคุณโยมเตีตเาา้ตัวธรรมาตัวท่านผู้ฟังบางทีเราเราเคยทําสมาธิได้ แต่ว่าตอนนี้ทําไมมันทําไม่ได้อย่างเงยนะค่ะถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยมืางที่เราเข้าสมาธิไปเอ๊ะมันอาจจะเป็นนึกดับไอ้ที่เราทําไเน่ยมันเพราะอะไรอย่างเงี้ยบางที่เราเห็นจุดนั้นขึ้นมานต่คือถ้าคนที่เคยทําได้เคยเห็นเนี่ยเขาก็จะทราบค่ ะ, ะตรงนี้มันก็อาจจะทําให้เรานึกถึงได้อนะ่ะนะโดยด้วยความที่อาศัยการฝึกปฏิบัติมาเต็มที่คือมันตันแล้วอะ่ะนี่ก็คงจะเป็นอีกทางหนึ่งตันแล้วอะ่ะทําไมมันไปต่อไม่ได้อย่ไงนะ<อ>ลองผิดลองถูกไปค่ะอืม ความเพ็นทุ ก, กะกิริยาอย่างที่เราได้เรียนตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วก็ได้เห็นภาพที่มีคนเขาจินตนาการวาดเอาไว้ว่าโอ้โหทรงผอมมากนะคะใช่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้วยิ่งมาฟังที่ท่านตรัสเล่าเอาไว้เนี่ยดิฉันคิดว่าเราจินตนาการออกอะถ้าท่านพูดเนี่ยเปรียบอะไรก็จริงแต่เราไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ ว่าที่คนจะอดจนกระทั่งขนาดนั้นนะคะอืมแต่อีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าพอลูบไปตามขนแล้วขนหลุดเนี่ยดิฉันคิดว่าบางคนน่ยไม่เชื่อเลยเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์อืมแต่ดิ๋ฉันกําลังจะบอกเคยเห็นคนที่ขาดอาหารนานๆเพราะว่าป่วยทํอาอะไรไม่ได้เนี่ยผมเผิมนั่นมันหมดสภาพนะคะท่านคะใชะ่ก็จะงอกบ้างจะร่วงหรือว่าจะแดงอย่างไม่น่าเชื่อทั้งๆที่ผมเคยดําครับดังนั้นขนเป็นไปนในลักษณะที่ตรัดเล่าเนี่ย ดิ่ันมั่นใจว่าเป็นไปได้อย่างแน่นอนสารอาหารมันมันไม่พอนะใช่ค่ะแล้วก็ได้พบว่านี่ไม่ใช่ทางหลุดพ้นแปล ว, ว่าที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าหากฟังรายการนี้อยู่แล้วพยายามนั่งสมาธิตามวิธีที่ท่านพิบูรณ์ได้เรียนมาจากพระพุทธองค์ก็ถือว่าได้เริ่มต้นอย่างถูกต้องแล้วสิคะท่านอานถูกต้องอันนี้คือเป็นการทําความเพี่ยนทางจิตนะคือเราเราฝึกจิตในขณะที่เราฝึกจิตเนี่ยเราก็ฝึกกายด้วย เนเพราะ <c oughs> ว่าเวลาที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นทางกายเนะเช่นบางทีเรานั่งสมาธิเรามีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นใช่ไม <c oughs> มันก็จะเกิดขึ้นที่กายด้วยที่ใจด้วยแต่ <c oughs> เราก็ต้องฝึกทั้งกายฝึกทั้งใจให้ให้เราสามารถที่จะควบคุมเวทนาเหล่านั้นได้ค่ะ <c oughs> ท่านคะทีนี้ดิฉันอยากจะขอความกระจ่างให้กับอีกหลายๆท่าน ซึ่งอาจจะยังสงสัยอยู่นะคะว่าตอนเจ็ดขวดเนี่ยก็พุทธองค์ได้นั่งใต้ต้นไม้ว่าใช่ไหมคะชใช่ใชแล้วก็บอกว่าได้ปฐมฌานเมื่ออายุเจ็ดขวบนั้นแล้วยังจําได้เมื่อติดขัดตอนที่บําเพ็ญทุกขกิริยาแล้วไปต่อไม่ได้ว่าตอนเจ็ดขวดเนี่ยอ่าอาการที่ปฏิบัตินั้นเนี่ยคือหนทางแน่แน่ใช่มาเลึกได้ครั้งหนึ่งก็อายุสาสิบ้านะ นั่นแะสิค่ะอาจาเจดกุมาอายุสามิบห้ากี่ดูลมัน่านไปยี่สิบแปดปีนะคะใช่ปะประมาณเนี้ยค่ะใช่ใแล้วถามว่าระลึกได้ยังไงใช่ไหมค่ะดิฉันจะกราบเรียนถามว่าแล้วปถมมชานเนี้ยเราสมมุติว่าผู้ปฏิบัติปฏิบัติอยู่ตอนเนี้ยนะคะก็เอเดี๋ยวก็อเห็นนู่นเห็นนี่บ้างเดี๋ยวก็อรู้สึกว่ามีความคิดนั่นนี่อะไรอย่างนี้นะระวังนะคะสมมุติว่าเป็นรวังหรือเห็นแสงสว่างเห็นนู่นเห็นนี่ ตรงไหนคะที่เป็นปฐมชาตินะคะตอนนั้นเนี่ยเอาตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่ตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่คือตอนนั้นเนี่ยพราะสังกัดจากกามและสงกัดจากอกุศลแระดทั้งหลายเอาข้อนี้ก่อนนะคือสังกัดจากกามสังกัดจากอกุศลแลรมทั้งหลายมีวิตกวิจารณ์คือมีความคิดอยู่ในวิตกวิจารเนี่ยหมายถึงความคิดมีความคิดอยู่แต่ความคิดนั้นไม่มีส่วนที่เป็นกามไม่มีส่วนที่เป็นอกุศลแลรมทั้งหลายมีความคิดอยู่นะมีความคิดอยู่ และไม่มีความคิดที่เป็นอกุศลธรรมเลยดังเพราะฉะนั้นบางคนจะคิดว่าโอ้ยฉันคิดนั่นคิดนี่อ๋อจิตฉันไม่ฟุง้งซ่านฉันไม่เป็นสมาธิเลยแต่คุณคิดผิดคุณเข้าใจผิดเพรา ะ, ะว่าสมาธิที่มีความคิดมันมีอยู่นี่คือขั้นแรกแเป็นสมาธิชนิดที่มีความคิดยังมีวิตกวิจารณ์อยู่แต่ความคิดนั้นไม่ใช่ความคิดที่เป็นไปในทางการไม่ใช่เป็นความคิดที่เป็นไปในทางอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็ใช้คําว่าสงัดเลยนะคือไม่มีโผล่มา คือถ้าตอน ค, คืนเราไปอยู่ในป่าเนี่ยไม่มีเสียงแมลงแม้แต่ตัวเดียวสังกัดอย่างนั้นเลยอเงียบกริบจากอะไรจากความคิดที่มันชั่วชาลามอกไม่มีมีความคิดอะไรมีความคิดที่จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเมตตาคิดถึงแม่ก็มีเมตตาคิดถึงพ่อก็มีความรักอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้คิดได้ค่ะคิดจะไปทําบุญที่นั่นที่นี่อันนี้คิดได้ไม่มีปัญหาทีนี้พอมีวิถววิจารณแล้วมี ปีติด้วยคือความอิม่มเอิบใจความสบายใจมีความสุขด้วยเกิดที่ไหนเกิดที่กายนั่นแหละ่วนไหนทั่วทั้งตัวนะี่นี่เป็นเป็นรายละเอียดที่อธิบายไว้นะว่าเมีปีติมีสุขเกิดขึ้นทั่วทั้งตัวแล้วก็มีความคิดอยู่เนะี่ย น, นี้คือลักษณะของปฐมฌานค่ะนะคะก็ทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ทําให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนะี่ยอย่างน้อยก็เอาไว้เป็นเกณฑ์นในการวัดสอบ ที่เป็นเกณฑ์ของพระาศาสดาของเราเพอดีเวลาจะหมดนะคะ <Okay. S 1> ท่านคะเรื่องของสมาธิโดยเฉพาะคนที่เอ๊ะสุขในสมาธิเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปกราบน้อสการถามท่านก็แล้วกันนะคะค่ะวันนี้เราได้ทราบเรื่องของพระพุทธองค์เกี่ยวกับการทํานาจากพระมหาภัยบุญอภิปุณโววัดป่าดอนหายโสอุดรธานีกราบน้อสการขอพระคุณท่านคะ่ะเรียนบาลความจริงดิท่านก็จัดรายการกับพระสมรูปเดียวนี่แหละนะคะ แต่อยากจะย้ําให้ทราบว่าท่านกําลังฟังพระสงรูปใดอยู่เพราะบางครั้งบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งม่เคยฟังหรือบางทีฟังมาแล้วด้วยซ้ําแต่แต่นั้นแต่อะไรไม่เคยสนใจอยากจะทราบว่าใครน่าเป็นคนตอบเกิดมาอยากทราบขึ้นมาคุณสรนสนีก็ไม่ถามให้ซะอีกดิฉันเองก็เป็นอย่างนี้บ่อยๆนะคะเวลาฟังการอภิปรายในสภาเนี่ยคนจริงอยากพูดผ่านรายการนี้เลยด้วยซ้าท่านประธานสภาก็มักจะเรียก ให้ท่านสมาชิกสภาซึ่งตอนนี้ก็เป็นสมาชิกสนชแล้วได้ขึ้นพูดพอพูดจบแล้วท่านก็ขอบคุณและก็เรียกท่านต่อไปเลยไม่ค่อยมาย้าให้เราทราบว่าที่พูดผ่านไปนี่เป็นใครเพราะบางทีเราไม่รู้จักชื่อแต่พอฟังเอ๊ะสิ่งที่ท่านพูดน่าสนใจก็อยากจะรู้จักไวอันนี้อาจเป็นเทคนิคสอนคนที่อยากเป็นนักจัดรายการด้วยเลยก็ได้นะฝากเอาไว้ส่วนรายการของเราหนักไปทาง ถามคำถามเพื่อให้ได้รับคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะวันนี้เต็มอิ่มเลยนะคะพระพุทธองค์เองก็ทรงอุปมาว่าสิ่งที่ท่านทำเปรียบเหมือนชาวนาด้วยเหมือนกันและตั้งแต่วัยเด็กท่านเคยได้ปฐมฌานในวันที่มีพิธีแรกนาขวัญตอนอายุเจ็ดขวบ ด, ด้วยแล้วเป็น การได้ปฐมฌานที่สำคัญซึ่งทำให้ท่านมารลึกได้ในวันที่ท่านติดขัดขณะที่บำเพ็ญทุกกระกิริยาว่าตอนเจ็ดขวบนั่นต่างหากที่จะเป็นหนทางที่ปฏิบัติไปแล้วไปต่อได้นะคะจนกระทั่งได้บรรลุอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เราก็คงจะลากันไปแต่เพียงเท่านี้ ะะและมาพบกันใหม่กับรายการสัมมนีสนทนาที่ชั้นสัสมนีหน้าพงกันในวันนั้นนะคะวันพรุ่งนี้พุทธรสวัสดีค่ะ